การบูชาของพระพุทธศาสนามีอยู่สองวิธีด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาสองปฏิบัติบูบชาการบูชาทั้งสองนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปฏิบัติบูบชา ว่าเป็นการปฏิบัติที่แท้เป็นการบูชาที่แท้จริงเป็นการบูชาที่เป็นคนเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏบิบัติบูชาอย่างยิ่งอามิสบูชาก็เป็นการบูชาที่ยังไม่ได้มีผลประโยชน์มาก ถ้าอยากได้ผลประโยชน์มากจากการบูชาควรจะ บ, บูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาอามิสราบูชาครับคือการบูชาด้วยสิ่งสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนหรือผ้าที่เรามาห่มองค์พระหรือการสร้างพระพุทธรูป เหล่านี้ถือว่าเป็นการอาบิดสบูชายังไม่ได้ผลประโยชน์มากเท่ากับการปฏิบัติบูบชาเพราะการปฏิบัติบูชาจะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้รับความสุขและได้กำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเราจึงควรที่จะให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาอย่าให้อามิสบูชามากกว่าการปฏิบัติบูชาอย่าเอาแต่จุดธูปเทียนสามดอก แล้วก็ก่าวสวดคำนมั ส, สการพระรัตนตรยเช่นอรหังสัมมาสัมพุโทโธแล้วก็ถือว่าได้ปฏิได้บูชาแล้วบูชาแบบนี้เป็นบูชาแบบผิวเผินยังไม่ถึงเนื้อถึงหนังถ้ากินผลไม้ ก, ก็กินที่เปลือก ยังไม่ได้กินที่เนื้อของผลไม้แต่อยากได้เนื้อของผลไมน้นี้ต้องปฏิบัติบูบชาเราถึงจะได้รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมก็คือรสแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายรสของความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนี่คือ ที่จะเกิดจากการปฏิบัติบูบชาไม่เกิดจากอา m i สบูชาแต่อามิสบูชาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าทำถูกกาละเทศะก็ทำให้ดูสวยงามไม่มีพิษมีภัยเรื่องอา m i สบูชา แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าอยากได้ความสุขทางใจอยากได้กำจัดความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราในขณะนี้ต้องใช้การปฏบิบัติบูชาถึงจะสำเร็จถ้าใช้อมิสบูชานี้จะไม่สำเร็จ ทุกที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่เท่าไหร่ก็ยังจะมีต่อไปความสุขในใจที่ยังไม่เคยเกิดก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมาดัางนั้นขอให้ชาวพุทธเราเข้าใจเรื่องของการบูชาทั้งสองรูปแบบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะกระทำแต่ควรทำให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์กับการละเทศะเช่นเราไปวัดเราไปโบสถ์เข้าไปในโบสถ์ไปกราบพระพุทธรูปเอาดอกไม้ทูกเทียนไปบูชาอันนี้ก็เป็นการกระทำที่เหมาะสมแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นการเริ่มต้นเหมือนกับเป็นการไหว้ครู เวลาที่นักมวยเขาจะต่อยกันเนบนเวทีเขาจะมีการไหว้ครูก่อนแต่พอไหว้ครูเสร็จขั้นต่อไปก็คือเขาก็ต้องต่อยกันถึงจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะพวกเราก็เหมือนกันพวกเราเป็นเหมือนนักมวยเราต้องไหว้ครูก่อนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราค่อยไปต่อย กับคู่ต่อสู้ของพวกเราคู่ต่อสู้ของพวกเราคือใครก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงเกล็นรดโผฏฐพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่แหละคือคู่ต่อสู้ของพวกเราที่พวกเราจะต้องกำจัดมันให้ได้ เอาชนะมันให้ได้เพราะว่ามันนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามาอย่างโชคชน์ทุกข์ต่างๆที่เราแบกกันที่เราประสบกันนี่เกิดจากกิเลสตัณหาทั้งนั้นการที่เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างนี้ก็เพราะกิเลสตัณหาเนี่ยคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ มันเป็นตัวที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็ให้มาทำบาปกันทาบุญกันบ้างแล้วตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปแล้วเสร็จจากการไปรับผลบุญผลบาปแล้วเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดก็จะทำบบเดิมกันอีกจะหา อะไรตามความอยากต่างๆหาบางทีถ้าหาโดยวิธีถูกต้องไม่ได้สุดจริตไม่ได้ก็ต้องไปหาโดยวิธีทุจริตก็ไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรที่จะต้องไปรับผลต่อไปอแต่พวกเราอาจจะไม่รู้กันเพราะว่าพวกเรานี่เป็นเหมือน เด็กเด็กนี้จะไม่รู้เหมือนกับผู้ใหญ่รู้เด็กเขาไม่รู้ว่าผู้ใหญ่นี้ต้องไปดินลนทํามาหาเกฑนหาเงินหาทองทําอะไรต่างๆเพื่อดําลงชีพเด็กนี้ไม่ต้องทําอะไรเพราะมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูไม่ต้องไปดิ้นลนไม่ต้องไปต่อสู้กับ อุปสรรคต่างๆในการดำรงชีพเด็กจะไม่รู้เรื่องเด็กก็จะไม่สนใจสนใจแต่การเล่นการอะไรของเด็กไปเท่านั้นเองพวกเราก็เหมือนกันพวกเหล่านี้เป็นเหมือนเด็กที่ไม่รู้ว่าเหานี้เป็นใครเป็นอะไรเราเราคิดว่าเราเป็นร่างกายกัน แต่ความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายผู้ใหญ่ที่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนี่เองท่านเป็นเหมือนผู้ใหญ่ท่านโตท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวของพวกเราว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเรานี้เป็นผู้รู้ผู้คิด ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแยกกันเป็นคนละส่วนเป็นเหมือนฝาแฝดฝาแฝดที่ติดอยู่ด้วยกันเหมือนแฝดสยามสมัยก่อนนี้มีแฝดสยามคือเด็กสองคนคลอดออกมาแล้วติดกันร่างติดกันสมัยก่อนไม่มีวิธีแยกร่างผ่าตัดอินกับจันอินกับจันนี่เป็นแฝดสยาม โด่งดังไปทั่วโลกทำให้ชาวโลกรู้จักประเทศสยามเพราะเขาเรียกแฝดเรียกแฝดคู่นี้ว่าแฝดสยามสมัยก่อนหมอไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแยกร่างกายของเด็กแฝดที่ติดกันที่คลอดออกมาแล้วติดกันคลอดออกมาแล้วติดกันถ้าไม่ตายก็ต้องอยู่ด้วยกันไป ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเราก็เหมือนกันเรามาติดกับร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่มาติดกับร่างกายตอนที่เวลาพ่อแมอ่มีการสร้างร่างกายขึ้นมาเมื่อมีการผสมพันระหว่างพัน์ของพ่อกับพันธ์ของแม่ก็จะมีร่างกาย ของทารบปรากฏขึ้นมาความเมื่อ ม, มีร่างกายก็จะมีจิตใจที่ตอนนั้นไม่มีร่างกายตอนนั้นจิตใจสูญเสียร่างกายอันเก่าไปกําลังหาร่างกายอันใหม่พอมาพบกับร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่คนใหม่กําลังสร้างขึ้นมาก็จะมาเกาะติดกับ ร่างกายอันใหม่นี้เลยก็จะเป็นแฝดกันออกมาพ่อแม่ไม่รู้ว่าได้ลูกแฝดเพราะเห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นร่างกายแต่ใจนี้มองไม่เห็นเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยร่างกายนี้ไม่รู้อะไรเชื่อไหมร่างกายไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรมันได้ยินอะไร อะไรมากระทบกับร่างกายจะหนาวจะเย็นจะร้อนร่างกายไม่มีความรับรู้ผู้ที่รับรู้ความอาการต่างๆเหล่านี้คือใจเนี่ยใจผู้ที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายโดยส่งกระแสมาติดอยู่ที่ตาหูจมูกเิ้นกายเวลาตาเห็นรูป ใจนี่แหละเป็นผู้รู้รูปรู้ว่ากําลังเห็นรูปอะไรแต่ร่างกายนี้ไม่รู้ร่างกายนี้เหมือนกับกล้องถ่ายรูปที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยเราถ้าเอากล้องไปถ่ายรูปนี้กล้องมันไม่รู้ว่ามันถ่ายรูปอะไรแต่คนถ่ายนี้รู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปของคนนั้นรูปของคนนี้ไมโครโฟนที่รับเสียงก็ไม่รู้ว่ามันรับเสียงอะไรเสียง จะใครจะด่าใส่กล้องกล้องมันก็ไม่รู้สึกอะไรใครจะชมใส่กล้องกล้องมันก็ไม่รู้สึกอะไรเพื่อใส่ไมโครโฟนไม่ใช่ใช้ใครจะไปด่าที่ไมโครโฟนหรือใครจะไปชมที่ไมโครโฟนไมโครโฟนมันก็ทําหน้าที่รับเสียงอย่างเดียวไม่มีความรับรู้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงชมหรือเสียงด่ามันไม่รู้นะ นี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนนะมันเป็นวัตถุเหมือนกับกล้องเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่มันไม่มีความรู้สึกไม่มีการรับรู้ผู้ที่มารับรู้ความรู้สึกที่มาสัมผัสกับร่างกายคือใจเนี่ยคือผู้รู้ผู้คิดที่คิดว่าเราเป็นร่างกายเนี่ยเนี่ยผู้นี้แหละเป็นผู้มาคิดว่าเราเป็นร่างกาย เรามีพ่อคนนั้นมีแม่คนนี้มีพี่มีน้องมีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้มีนามสกุลอย่างนั้นนามสกุลอย่างนี้น่า ง, ก า, ง, ก, างกายมันไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้เรื่อง Chan นั่งกายมันเหมือนโทรศัพท์มือถือมันไม่รู้เรื่องว่ามันอมันพูดได้มันฟังมันออกเสียงได้มันถ่ายรูปได้มันไม่รู้ผู้ที่รู้ก็คือใจนี่ใจที่มา ติดกับร่างกายตอนที่มีการตั้งขันมีการามีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายในท้องแม่เนี่ยตอนนั้นแหละที่เรามาเกาะติดกับร่างกายแล้วพอเราคลอดออกมาเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะเราไม่เห็นตัวเรานั่นเองตัวเราเป็นตัวที่ไม่มีรูปร่างหน้าตา จึงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราแล้วเราก็ไปใช้ร่างกายไปหาอะไรต่างๆที่เราอยากได้กันการที่เรามาเกิดกันการที่เรามาเกาะติดกับร่างกายก็เพราะว่าเรามีความต้องการสิ่งที่ร่างกายสามารถหามาให้กับเราได้นั่นเองสิ่งที่เราต้องการที่ร่างกายหามาให้เราได้คืออะไร ก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เอรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปที่เราใช้ตาดูเสียงที่เราใช้หูฟังรูปเสียงกลิ่นที่เราใช้ลิ้นที่ใช้จมูกรับกลิ่นแล้วรสใช้ลิ้นรับรสส่วนสัมผัสนี้เราก็ใช้ร่างกายเป็นผู้รับสัมผัสหนาวเย็นแข็งนุ่มนี่ เราต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเวลาเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบเราจะเกิดความสุขขึ้นมาเราจึงเลือกอยู่กับคนนั้นคนนี้เพราะอยู่กับคนที่เรามีความสุขนั่นเองถ้าเราไปเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่อยากอยู่กับเขานี่คือทำไมเราจึงมามีร่างกาย แล้วก็มาหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็มายึดติดกับร่างกายเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไม่อยากให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไปแต่ร่างกายของทุกคนมันมีวัตตะจัรของมันมันมีวงจรของมันวงจรของร่างกายก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่เองไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตาม เมื่อเกิดมาแล้วมันจะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปในที่สุดแต่ใจนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงที่ไปคิดว่าใจเป็นร่างกายเลยทำให้ใจทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากนี้เอง พระุธเจ้าเป็นสรงผู้ค้นพบว่าทาไมใจเราถึงต้องมาทุกข์กันทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ที่ทุกข์ก็เพราะว่าเราใปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองพออยากได้อะไปรปั๊บนี้ใจจะเริ่มทุกข์ขึ้นมาทันทีตอนนี้กาลังอยากเป็นสสอกันเนี่ยอยู่จะอยู่เฉยๆไม่ติดนะอยู่ไม่ติดบ้าน ต้องออกหาเสียงกันเพราะว่าอยากได้เป็นสอสอแล้วพอไม่ได้เป็นก็เสียใจถ้าได้เป็นก็ดีใจไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปวุ่นวายกับการเป็นสอสอแล้วไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็หมดววลาก็เสียใจอีกเกิดความไม่สบายใจ น, นี่ความไม่สบายใจของพวกเรานี่ พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบว่ามันเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากของพวกเรานี่เองชีวิตของพวกเราจึงมักจะไม่ค่อยมีความสุขกันถึงแม้จะมีอะไรมากมายกายกองก็ตามมีมากมีน้อยมีความไม่สบายใจเหมือนกันขอทานก็มีความไม่สบายใจมหาเศรษฐีก็มีความไม่สบายใจ เพราะมีความอยากเหมือนกันต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงายความอยากมันไม่มีวันพอไม่มีวันอิ่มพอมันได้อย่างนี้แล้วมันก็อยากจะได้อย่างนั้นต่ออย่างโบราณที่เขาพูดได้คืบแล้วก็อยากจะได้สอกอย่ายสอกแล้วก็อยากจะได้วาอยากจะได้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลา ขณะที่อยากนี้ใจก็ไม่สบายแล้วใจก็หงุดหงิดลาคาญใจมีอารมณ์ไม่ดีเวลาอยากได้อะไรอยากทําอะไรแล้วยังไม่ได้ทํานี่มันจะรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจมันต้องไปทํามันถึงจะสบายใจนี่บางทีเวลาจะไปทําก็อาจจะทําแบบวิธีถูกต้องไม่ได้ ก็อาจจะต้องไปทำโดยวิธีไม่ถูกต้องเช่นอยากได้เงินไปเที่ยวแต่ไม่มีงานทำไม่มีรายได้ก็อาจจะต้องไปลักขโมยเงินของคนอื่นเพื่อเอาไปเที่ยวหรือเอาไปซื้อของที่เราอยากจะซื้อกันมันก็เลยทำให้เราทําบาปโดยไม่รู้สึกตัว ด้านเราก็ไม่คิดว่าการทำบาปนี้จะมีโทษอะไรตามมานอกจากถ้าติดถ้าถูกเขาจับได้ก็อาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางแต่คิดว่าพอร่างกายนี้ตายไปแล้วบาปทั้งหลายที่เราทำอยู่นี้มันก็จะหมดไปหรือบุญที่เราทำกันนี้เราก็คิดว่ามันจะส่งผลเฉพาะตอนที่ร่างกายมีชีวิตอยู่ ทำบุญทำความดีก็อาจจะได้รับผลตอบแทนได้รางวัลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อะไรแต่พอตายไปแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามีใครไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเพราะเราไปผูกเราตัวเราไว้กับร่างกายนั่นเองความจริงตอนที่ร่างกายตายเนี่ยเป็นตอนที่เรากับร่างกายแยกทางกัน จากการที่เป็นฝาแฝดเราก็จะกลายเป็นลูกโดดลูกเดียวออกจากแยกออกจากร่างกายไปเราไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณเวลาคนตายเขาเราบอกว่าดวงวิญญาณได้ออกจากร่างแนละ้วดวงวิญญาณของพ่อของแม่ของปู่ของยา่าของเพื่อนของสามีของภรรยาของลูกไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ดวงวิญญาณนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปการรับผลบุญผลบาปของดวงวิญญาณก็มีชื่อต่างๆผลบุญผลบาปนี้มันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใจไปรับนะเช่นสวรรค์หรือนรกนี้มันไม่ได้เป็นสถานที่แต่มันเป็นสถานภาพของใจของดวงวิญญาณเองดวงวิญญาณที่ มีบุญก็จะมีความสุขเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ น, นั้นว่าเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์แต่ความจริงเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์แล้วเราก็ไ ป, ออไปวาดภาพขึ้นมาว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงมันเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข ที่มีมโนภาพดีๆปรากฏขึ้นมาในใจนั้นใจเรานี่เวลาไม่มีร่างกายนี้เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับตอนนี้เรานอนหลับใจกับร่างกายจะแยกทางชั่วขา่าวแยกออกจากกันชั่วขา่าวร่างกายจะนอนเฉยๆแต่ใจของเราจะมีมโนภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจเราเรียกมโนภาพเหล่านี้ว่าฝันนั่นเองเวลาเรา มีมโนภาพดีเราก็เรียกว่าฝันดีเวลาเรามีมโนภาพไม่ดีเราก็เรียกว่าฝันร้ายเวลาที่เรามีมโนภาพอยู่นั้นเราคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงเหมือนกับตอนที่เราอยู่กันตอนนี้เพราะ ม, มโนภาพที่เราเห็นในใจเหล่านี้เหมือนกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยเหมือนกับว่าเราได้มาฟังเทศฟังธรรม กับเพื่อนฝูงกับคนนั่นคนนี้มันเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาในใจอาศัยการกระทําของเราในขณะที่เราตื่นเมื่อเราตื่นเราก็จะไปทํากิจกรรมต่างๆกันเช่นวันนี้เรามาทําบุญกันเราทําบุญแล้วใจก็จะบันทึกภาพของการทําบุญเหล่านี้ไว้ในใจของเราถ้าเราไปทําบาป มันก็จะบันทึกภาพของการทําบาปนี้ไว้ในใจของเราแล้วพอเวลาเรานอนหลับมันก็จะสร้างมโนภาพเหล่านี้กลับขึ้นมาใหม่ถ้าเราทําบุญมันก็จะสร้างมโนภาพที่ดีที่ให้ความสุขกับเราถ้าเราไปทําบาปมันก็จะสร้างมโนภาพอันไม่ดีให้กับเรานี่แหละคือผู้ที่กําลังรับผลบุญผลบาปอยู่ ตั้งแต่ยังไม่ตายนี้เราก็เริ่มรับผลบุญผลบาปกันแล้วดูตอนที่เรานอนดับนะเวลาที่เราฝันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเรากําลังรับผลบาปที่เราทํากันอยู่ถ้าเราฝันดีนี่แสดงว่าเรากําลังรับผลของบุญนะเ้วก็จะรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อจนเวลาร่างกายตายไปนี้มันก็จะมันก็จะรับผลบุญผลบาปต่อไป จนกว่ามันจะไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาเกิดใหม่เป็นทารกใหม่มาเป็นฝาแฝดกับร่างกายใหม่นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดกันคือจิตใจไม่ใช่ร่างกายเราจึงต้องมีผู้ที่รู้มาสั่งมาสอนพวกเราผู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจ้า และพระอาริยสงสาวกทั้งหลายท่านรู้ว่าการกระทำอะไรต่างๆของเรานี้เป็นตัวที่จะทำให้เราต้องมีสุขมีทุกข์กันแลวเราก็ท่านก็รู้ว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครต้องการความทุกข์กันทุกคนต้องการความสุขกันทุกวันนี้เราหาอะไรกันตั้งแต่ตื่นมาจนนอนหลับเนี่เราหาความสุขกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ความสุข ของเรานั้นอยู่ที่ตรงไหนเกิดจากอะไรนั่นเองความสุขที่เราหากันมันมักจะกลายเป็นความทุกข์กันเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะเราไปหาสิ่งที่มันมันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็สูญเสียมันไปพอเวลาได้มาก็ดีใจพอเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่ฉลาดเราไม่รู้ว่า ความสุขที่ไม่สูญเสียไม่หายไปนี้เป็นอย่างไรนั่นเองเราจึงต้องมาใสา่ผู้รู้คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายให้มาสั่งมาสอนให้พวกเรารู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและการที่เรา ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงสาวก็ดีนี่แนะเรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเราพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ต้องการลายจากพวกเราท่านต้องการให้พวกเรามีความสุขกันท่านต้องการให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ การที่เราจะมีความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนาเอาไปปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติบูชานี่เองการปฏิบัติบูชาก็ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตเนี่ย พระพุทธเจ้ามีชื่อของตัวเองว่าตถาคตเวลาพระองค์ทรงตัดถึงตัวพระองค์ท่านจะพระองค์จะเรียกว่าเราตถาคตผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหมาะสมกับธรรมคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือผู้บูชาเราตถาคตเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็จะได้ความสุขเราก็จะกำจัด ความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่กันนี้ให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือหัวใจของการบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พบกับความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวก ที่ท่านได้กันนี้ไม่มีวันหมดยังมีอยู่ถึงขณะนี้ใจของพระเจ้านอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขดวงวิญญาณของพระเจ้านี้เราเรียกว่นานิพพานดวงวิญญาณของพระอริยสงสาวกนี้เราเรียกว่นานิพพานเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ไม่มีความอยากความโลภความโกรธความหลงเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกดวงวิญญาณของพวกเราถ้าพวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติบูบชายังไม่ได้บรรลุถึงพันวิพานพวกเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปนี่แหละคือการบูชาของพุทธศาสนาท่านเน้น การบูชาด้วยการปฏิบัติอามิสบูชานี้ก็เป็นการาแสดงความเคารพนับถือยกย่องแต่ยังไม่ได้เป็นการบูชาที่จะได้ผลประโยชน์กับผู้บูชาพระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้รับผลประโยชน์จากการบูชาของเราเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา คือปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติอะไรกันบ้างท่านก็สอนให้เราปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนานี่เองทานศีลภาวนาคือทางสู่พานิพานนั่นเองทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไปถึงพานิพานได้จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเดินทางบนทางสายนี้คือทางของทานของศีลและการของการภาวนาถ้าไม่เดินบนทางนี้ก็จะไปไม่ถึง เหมือนญาติโยมจะมาที่นี่ได้ต้องเดินทางขึ้นเขามามาเส้นเดียวไม่มีเส้นอื่นถ้าไปไปเส้นอื่นก็จะป้ามาไม่ถึงที่นี่มีญาติโยมหลายคนบอกว่ามาที่นี่หลงทางด้วยมาไม่ถึงที่นี่เพราะไม่รู้ทางเลี้ยวผิดแทนที่จะมาเส้นทางที่จะพาให้ขึ้นเขาไปเลี้ยวไปอีกเส้นทางหนึ่งก็เลยมาไม่ถึงที่นี่เสียที เช่นใดพระนิพพานก็อย่างนั้นพระนิพพานก็เป็นเหมือนจุดหมายปลายทางของจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราอยากให้จิตใจของพวกเราพ้นทุกมีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องมาเวียนว่าตายเกิดเราต้องไปบนทางของทานของศีลของภาวนาอย่างนั้นเราต้องมาศึกษาก่อนให้รู้ว่า ทานเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรภาวนาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะทำไม่ถูกนั่นเองเหมือนถ้าเราอยากจะทำะกับข้าวทำแกงแกงอะไรสักอย่างเราไม่เคยทำมาก่อนถ้าลองไปทำเองมันก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรบ้างอะไรก่อนอะไรหลังต้องไปถามแม่ครัวแม่ค้าที่เขาขายแกง ไปขอสมัครเป็นลูกจ้างเขาก่อนไปช่วยทำแกงก็จะเห็นวิธีที่เขาทำแกงว่าเขาต้องไปซื้ออะไรมาบ้างซื้อกะทิซื้อเนื้อซื้ออะไรต่างๆมาแล้วเวลาจะทำก็มีขั้นมีตอนไม่ใช่จะอยู่ๆจะเอารวมไปทีเดียวให้มันเป็นแกงขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะมาปฏิบัติบูบชาได้ก่อนที่เราจะทำทานรักษาศีลภาวนาได้ เราก็ต้องเรียนก่อนเรียนให้รู้วิธีทำทานที่ถูกตั้งนั้นทำอย่างไรรักษาศีลที่ถูกตั้งนั้นรักษาอย่างไรภาวนาที่ถูกตั้งนั้นภาวนาอย่างไรเพราะการทำทานนี้รักษาศีลนี้และการภาวนานี้มีวิธีที่ถูกกับวิธีที่ไม่ถูกถ้าทำแบบวิธีที่ไม่ถูกก็จะไม่สำเร็จผล ต้องทำวิธีที่ถูกถึงจะสำเร็จถึงจะได้ผลที่เราต้องการคือพระนิพพานการทำทานรักษาศีลการภาวนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำกันนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การกําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆนี่คือเป้าหมายเช่นทำไมให้เราทำทานกัน ทำทานอย่างวันนี้ญาติโยมเอาข้าวของซื้อของเอาเงินทองมาซื้อของต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากต่างๆนี้มาทำบุญแทนเพราะว่าเราต้องการกําจัดความอยากเพราะความอยากไม่มีแล้วใจเราจะมีความสุขถ้ามีความอยากแล้วใจเราจะไม่สุข พออยากแล้วใจมันจะหงุดหงิดลำคาญกระวนกระวายกระสับกระส่ายพอไม่มีความอยากแล้วใจจะเย็นจะสบายดังนั้น <c oughs> การทำบุญทำทานนี้ก็เพื่อกำจัดความอยากที่เราจะเอาเงินเป็นเครื่องสนับสนุนนั่นเอง <c oughs> เช่นเราอยากจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่เรามีกระเป๋าต้องหลายใบแล้วจำเป็นต้องซื้อไหมไม่จำเป็นหรอกแต่มันอยาก เห็นเขาโฆษณาเห็นภาพแล้วมันสวยมันชอบมันอยากได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขตะเจ้าว่านัา่นแหะเอาเงินที่จะไปซื้อกระเป๋านั่นน่ะไปซื้อของทาบุญดีกว่าแล้วทาบุญนี้ทำกับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาทำกับวัดอย่างเดียวเพียงแต่ว่าชาวพุทธเ่านี้ให้ความสำคัญกับวัดเป็นอันดับแรกเพราะเราต้องสนับสนุนวัดก่อน เพราะวัดเป็นที่พึ่งของเราแต่ถ้าวัดมีความพอเพียงแล้วเราจะไปทำที่อื่นก็ได้ไปช่วยเหลือสถานที่ที่เราอยากจะช่วยเหลือก็ได้เช่นโรงพยาบาลโรงเรียนเรือกองการสาธารณกุศลต่างๆสภากาชาติไทยอะไรก็ได้ทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมการทำแบบนี้เราจะได้ความสุข มากกว่าการไปซื้อกระเป๋าหนึ่งใบเช่นกระเป๋าใบละห้าพันนี่ยเอาไปทําบุญเอาไปเลี้ยงเด็กกําพร้านี่เลี้ยงได้ของหลายคนมือหนึ่งเนี่ยเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กร้อยคนนี่ห้าพันบาทก็เลี้ยงได้แล้วซื้อกระเป๋ามาใบเดียวก็ไม่มีใครได้กินอะไรเลยกระเป๋าใบเดียวเราก็ดีใจเดี๋ยวเดียวดีใจตอนที่เราได้มาใหม่ๆ พอเสร็จแล้วพอกลับไว้ในบ้านแล้วมันก็ไม่มีความหมายละเดี๋ยวไปเห็นกระเป๋าใบใหม่ออกมาอีกอยากอีกขึ้นมาอีก้วกระเป๋าใบเก่าไม่มีความหมายต่อไป mm hmm. เนี่ยมันจะหลอกเราอยู่เรื่อยถ้าเราทำตามความอยากบางคนยังมีรองเท้าเป็นพันคู่เคยได้ยินข่าวไหยเมียประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์สมัยที่มีอำนาจเนี่ยมีเงินเยอะ อยากจะชอบรองเท้าชอบซื้อรองเท้าเห็นรองเท้าที่ไหนแล้วอดซื้อไม่ได้มีซื้อแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่แล้วซื้อมาแล้วก็มานั่งดูเฉยๆแล้วก็มาเก็บไว้อันนี้ความอยากมันเป็นอย่างนี้มันจะหลอกให้เราคิดว่าเวลาเราได้ของที่เราอยากได้แล้วเราจะมีความสุขแต่มันไม่บอกว่าเป็นความสุขเดี๋ยวๆนะพอได้มาแล้วมันหมดนะ ถ้าอยากจะได้ความสุขแบบนี้ก็ต้องไปซื้อคู่ใหม่ใหม่มันก็จะหลอกให้เรานี่ไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมาใช้กับความอยากต่างๆเราก็เลยจะไม่มีเวลาไปทำบุญไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติรักษาศีลใบภาวนาได้นั่นเองดังนั้นขั้นแรกนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เราหยุดใช้เงินตามความอยาก ให้ใช้เงินตามความจําเป็นเรามีความจําเป็นต้องใช้คือปัจจัยสีนี่ใช้ไปอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยจําเป็นจะต้องมีแต่ก็ให้มีพอเพียงก็พอไม่ต้องมีมากเกินไปรู้หรูหลาเกินไปอย่างในหลวงรอเก้าท่านสอนเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละคือการกลับจัดตัณหาความอยากของในหลวง ท่านบอกว่าให้มีเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่ได้ก็พอเพราะว่าถ้ามีมากกว่านั้นมันก็อยู่ได้เหมือนกันมันก็ไม่แตกต่างกันมันไม่ได้มีความสุขมากขึ้นไปยัเสียเงินใบเปล่าเสียเงินซื้อของแพงๆมาใช้กับซื้อของที่ไม่แพงมาใช้มันก็ได้ผลนั้นเดียวกัน ก็ดูเสื้อผ้าเสียเนี่ยเสื้อผ้าตัวละร้อยกับตัวละพันเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันก็เป็นเสื้อผ้าเท่านั้นองมันก็ปกปิดหุ้มห่อร่างกายได้เหมือนกันทําไมต้องไปเสียเงินต้องเยอะแยะซื้อของที่มันไม่จําเป็นเราไปติดชื่อมันมัน่งเขาติดป้ายว่าชื่อนั้นชื่อนี่ก็เลยกลายเป็นของที่เราอยากได้กันขึ้นมาอันนี้ก็ซื้อตามความอยากแล้วฉะนั้นบางทีใช้เงินกับสิ่งที่จําเป็นก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ไป ถูกความอยากมันดึงไปเราต้องใช้แบบเหตุผลใช้ตามความจำเป็นเสื้อผ้าก็มีไว้หุ้มห่อร่างกายปกปิดร่างกายจะชุดละพันชุดละหมื่นมันก็เหมือนกันมันทำหน้าที่ได้เหมือนกันเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินให้มากมายเพราะเงินทองมันเป็นของหายากถ้าใช้มากมันก็ต้องหามากมันก็จะเหนื่อยมาก แล้วมันจะไม่มีเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นนั่นเองจะไม่มีเวลาไปวัดกันไม่มีเวลาไปฟังเทศฟังธรรมกันไม่มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนากันนั่นเองดังนั้นขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้พวกเราำจำกัดวงจรนั้นนี้วงจรการใช้เงินตามความอยากเพราะว่าถ้าใช้เงินตามความอยากแล้วเงินมันจะหมดเร็วหมดเร็วมันก็ต้องไปหาใหม่ มันก็ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองมาก็เอามาใช้ตามความอยากมันก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะม า, าวัดมาเรียนรู้วิธีที่เราควรปฏิบัติกันว่าปฏิบัติกันอย่างไรนั่นเองแต่ถ้าเราใช้เงินตามความจำเป็นความอยากต่างๆเราจะไม่ใช้มัน เช่นอยากได้กระเป๋าใบใหม่ก็ดูซิว่าตอนนี้กระเป๋าใบเก่าเรายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าถ้าใช้ได้ไม่มีอะไรเสียหายก็อย่าอย่าเอาเงินนี้ไปใช้เลยก็อยากจะถ้าอยากจะใช้ก็เอาไปทำบุญถ้าไม่อยากจะใช้ก็เก็บไว้กับใช้กับของจำเป็นก็ได้สิ่งจำเป็นเราก็จะมีเงินเหลือเฟือเราก็อาจจะไม่ต้องทำงานมากก็ได้ เพราะเมื่อเราไม่ได้ใช้มากเงินเงินทองมันก็จะเหลือมากเมื่อมีเหลือมากเราก็ไม่ต้องไปหามากเราก็จะเริ่มมีเวลาว่างเริ่มมีเวลาว่างไาทําบุญเงินมาวัดกันมารับฟังธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้นะที่มีคุณค่าวิเศษเท่ากับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่กันนี้ให้หมดไปได้ไม่มีอะไรจะให้ความสุขแบบไม่มีความเสื่อมไม่มีวันหมดได้มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะหาเวลาเข้าหาพระธรรมกับสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เราจะมีเวลาได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกใช้เงินตามความอยากต่างๆ เมื่อเราไม่ใช้เงินตามความอยากเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเพราะจะมีเงินเหลือเหลือใช้นั่นเองถ้าเราใช้ตามความจำเป็นเราก็จะได้มีเวลาว่างไม่ต้องทำงานมากเราก็จะได้มีเวลามาวัดได้พอมาวัดเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องการทำทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการภาวนาเราก็จะอยากจะรักษาศีลขึ้นมา พอเราทำทานได้เราก็อยากจะรักษาศีลขึ้นมาการรักษาศีลก็จะง่ายสำหรับผู้ที่ทำทานได้เพราะอะไรผู้ที่ทำทานแล้วนี้จะไม่มีความอยากได้เงินได้ทองมากนั่นเองก็ไม่ต้องหาเงินแบบทําบาปกันคนที่อยากใช้เงินตามความอยากนี้มักจะต้องทําบาปเพราะว่าเงินทองที่หามาได้จากเงินเดือนหรือจากความสุดจรลิตนี้มันไม่พอใช้ จึงมักจะมีข่าวเรื่องคอร์รัปชันกันอยู่เรื่อยที่คอร์รัปชันกันก็เพราะว่าเงินเดือนไม่พอใช้ความอยากมันมีมากกว่าเงินเดือนก็ลเลยต้องไปหามาเสริมด้วยการทำคอร์รัปชันต่างๆช่อโกงบ้างหลอกลวงบ้างก็จะทำให้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ถ้าเราทําทาน อยู่เรื่อยๆ เ, เราจะไม่ค่อยอยากจะได้อะไรมากเราก็จะไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมากเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำบาปใช้เงินตามที่เราหามาได้เราก็จะรักษาศีลงันได้นี่คืออุบายวิธีของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงรู้วิธีที่จะทำให้เรานี่สามารถ สร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่จิตใจของพวกเรากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้เพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าอะไรเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราอะไรเป็นตัวที่ทําให้เรามีความสุขกันตัวที่ทําให้เรามีความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานี่คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ อะไรที่ทำให้ใจเรามีความสุขกันก็คือความไม่โลภความไม่อยากนี้เองเวลาไม่โลภไม่อยากนี้ใจเราสบายอยู่เฉยเฉยได้เนี่ยตอนนี้เราไม่ได้อยากเป็นสอสอเราไม่ต้องไปหาเสียงกันเี่ยถ้าตอนนี้อยากเป็นสอสอับดองได้ว่าไม่มีเวลามานั่งฟังเทศฟังธรรมกันตอนนี้ตอนนี้จะต้องไปหาเสียงหาอะไรกัน แต่พอเราไม่โลภไม่อยากเป็นสอสอไม่อยากได้ตำแหน่งอะไรเราก็สบายจะทำอะไรของเราก็ทำได้อย่างสบายนี่คือทำไมเราจึงควรทำทานกันทำทานเพื่อกําจัดความโลภความอยากในสองที่ไม่จำเป็นในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีแล้วจะทำให้เรานี้ไม่มีความอยากมาก เมื่อไม่มีความอยากมากก็ไม่ต้องหาเงินมากเพราะไม่ต้องใช้เงินมากนั่นเองแล้วเราก็จะได้มีเวลาเข้าวัดกันมีเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันมีเวลามารักษาศีลกันได้ mm. พอเราทำทานได้เราก็จะเริ่มรักษาศีลกันได้ศีลก็มีหลายระดับมีตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยิบเจ็ดเนี่ยทำไมต้องมีเยอะ เพราะว่าศีลมันก็เป็นเหมือนน้ํามันนะน้ํามันก็มีหลายชนิดนะน้ํามันเก้าสิบเอ็ดน้ํามันเก้าสิบห้ามันมีความแรงต่อมันต่างกันที่ความแรงของน้ํามันรถที่ต้องการพลังเยอะเขามักจะใช้น้ํามันเก้าสิบห้ารถที่ไม่ต้องใช้พลังมากเขาก็ใช้เก้าสิบเอดประหยัดเนี่อันนี้ก็เหมือนกันศีลก็เป็นเครื่องสนับสนุนในการเอาไปข่ากิเลส น, นั่นเอง ถ้าเราถือศีลห้าก็ค่าได้ไม่มากเท่ากับถือศีลแปดถ้าถือศีลแปก็จะค่ากิเลสได้มากกว่าศีลห้าถ้าถือศีลสิบก็ได้มากกว่าศีลแปถ้าถือศีลสองร้ยยี่สิบก็จะค่าได้มากกว่าถึงมีศีลระดับต่างๆกันแล้วแต่ความต้องการของผู้ปฏิบัติว่าต้องการจะกําจัดกิเลสมากน้อยเพียงไรผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะเริ่มเห็นโทษของกิเลส เห็นโทษของตันหาความอยากก็อยากที่จะกําจัดมันก็จะเริ่มเพิ่มศีลขึ้นไปไเรื่อยๆตอนต้นก็รักษาศีลหรักษาศีลหกิเลสก็ตายไปบางส่วนรู้สึกทําให้ใจเราสบายขึ้นคนที่มีศีลกับคนที่ไม่มีศีลนี่ใครจะสบายใจกว่ากันคนที่คอยโกหก สามีภรรยาอยู่เรื่อยๆกับคนที่ไม่โกหกนี่ใครจะสบายใจกว่ากันเวลาคุยกับสามีภรรยานี่ต้องระวังว่ากูพูดเรื่องอะไรไปหรือเปล่าพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวเาจับได้ไม่ไม่สบายหรอกถ้าทำบาปแล้วใจจะไม่สบายไปลักทรัพย์ของคนนั้นคนนี้จะไม่สบายใจไปโกหกหลอกลวงเขาแล้วจะทำให้เราไม่สบายใจ นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเริ่มเห็นความสบายใจความสุขใจจะมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ใจความกังวลใจความหวาดกลัวอะไรต่างๆนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลก็อยากจะเพิ่มอตอนต้นก็ถือศีลห้าพอถือศีลห้าได้นี่อยากจะลองศีลแปดเห็นคนก็ถือศีลแปดเห็นเขานุ่งขาวห่มขาวเขามีความสุขอย่างไรก็ลองไปถือดอูก็จะเห็นว่าอ๋อการที่เราถือศีลแปดได้เรากาจัดความอยากได้อีกหลายตัวความอยากกินอาหาร แบบไม่มีเวลามเวลาเราก็กำจัดได้แก้ปัญหาเรื่องอ เรื่องน้ำหนักเกินได้เนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักเกินนี่ไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรอกมาถือศีลดีกว่าศีลดับรองได้ว่าน้ําหนักลดคนที่มาอยู่วัดนี้สามเดือนนับลดลดเป็นสิบกิโลเลยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นสมัครสมาชิกไปวิ่งออกกําลังกายให้เหนื่อยวิ่งมันเหนื่อยแล้วมันก็หิวอีกหิวมันก็กินอีก งั้นมาถือศีลแปดดีกว่าเวลาหิวมานั่งสมาธิกันอมาทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันจะหายหิวมันจะไม่หิวความหิวส่วนใหญ่ไม่ได้หิวที่ร่างกายมันหิวที่ใจใจไปคิดถึงอาหารปั๊บนี่มันหิวเลยขณะกินไปเสร็จไปใหม่ลองไปคิดถึงขนมคิดถึงอาหารดูอยากจะกินขึ้นมาทันทีความหิวส่วนใหญ่จึงไม่ได้หิวที่ร่างกายหิวที่ใจ เพราะเราไม่ควบคุมใจกันเราไม่ใช้ศีลคอยควบคุมเนี่ยศีลแปดนี้จะคอยควบคุมความคิดที่จะไปกินอาหารแบบพร่ำเพรื่อให้กินได้ไม่เกินเที่ยงวันเป็นต้นใครมาถือศีลแปดแล้วหลังจากเที่ยงวันห้ามกินจะคิดยังไงก็ไม่ได้กินมันก็หยุดคิดเองเพราะรู้ว่าเราถือศีลแปดนี่ศีลมันจะช่วยให้เรากาจัดความอยากให้น้อยลงไป พอความอยากน้อยลงไปมันก็มีความสุขมากขึ้นอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องดิ้นหาขนมมากินไม่ต้องไปดิ้นหาอาหารมากินอยู่เรื่อยๆพอหมดเวลากินแนละ้วจะกินก็ต้องรอวันพรุ่งนี้ถึงจะได้กินแล้วก็กำจัดความอยากไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ความอยากที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดนั้นชุดนี้เห็นไหมเวลาจะเที่ยวก็ต้องมีชุดเที่ยวชุดอะไร จะก็ต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆคอยหาซื้อมาใหม่อยู่เรื่อยเพราะชุดเก่าใส่แล้วมันมันไม่สวยเหมือนชุดใหม่ละมันก็มีความวิตกกังวลกับเรื่องการหาเสื้อผ้าเรื่องการเสริมสวยความงามต้องมาเลือกหาสถานที่เที่ยวอีกจะไปเที่ยวที่ไหนดีรายร้อยแปดพันประการพอถือศีลแปดได้กับจัดพวกนี้ได้หมดเลยไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนแล้วอยู่บ้านอยู่วัดดีกว่า มาเที่ยวในใจดีกว่ามาทำใจให้สงบมาภาวนาคนที่ถือศีลแปดได้ก็จะมีเวลามาภาวนาได้ถ้าถือศีลหานี่ยังไปเที่ยวได้ยังไปกินเลี้ยงได้ยังไปทำอะไรได้มันก็จะไม่มีเวลามาหัดภาวนากันเห็นคนที่อยากจะก้าวขึ้นสู่ทาขั้นสูงต่อไปก็ต้องเพิ่ม จากศีลห้าไปสู่ศีลแปหรือศีลสิ 10, หรือศีล227เนะเพราะยิ่งรักษาศีลมากยิ่งจะมีเวลาว่างมากเพราะศีล น, นี้คอยห้ามกิจกรรมต่างๆที่เราไม่ควรทํากันหรือทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าไปทําให้เสียเวลาเช่นนั่งดูทีวีดูละครร้องลําทําเพลงอะไรกันมันไม่มีคนประโยชน์เกี่ยวกับจิตใจของเรามากนะักไม่กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ไม่ได้สร้างความสุข ให้ดีมากกว่าเก่าได้สู้เอาเวลามาหัดภาวนาดีกว่าเราก็จะสามารถเข้าสู่ทำระดับขั้นที่สามได้คนที่จะมาภาวนาได้นี้ต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลห้าก็ภาวนาได้แต่จะภาวนาได้น้อยกว่าเวลามันจะน้อยกว่าเวลาเอาจะ ถูกดึงไปทำอย่างอื่นหมดไปกินข้าวเย็นบ้างไปดูหนังฟังเพลงบ้างไปร่วมหลับนอนกับแฟนบ้างมันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธิมาภาวนากันแต่ถ้าถือศีลแปะแล้วมันไม่มีกิจกรรมอะไรจะดึงเราไปหลังจากเที่ยงวันนี้เราก็ภาวนาได้เลยภาวนาไปถึงเวลาเรานอนภาวนาคืออะไรก็คือการฝึกสมาธิ แล้วก็การฝึกปัญญานี่เองแบ่งเป็นสองขั้นขั้นสมาที่เราเรียกว่าสมถะภาวนาทำใจให้สงบขั้นที่สองเราเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดสอนใจให้เห็นความจริงเพื่อจะได้กาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปความอยากมันเกิดจากความหลงการที่เราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวๆแล้วนั่นจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะมันจะต้องมีการสิ้นสุดลงมีการพัดพาคจากกันนี่คือปัญญาแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้เราต้องผ่านขั้นสมถะก่อนขั้นสมาธิก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบใจมันจะไม่ยอมคิดทางปัญญานั่นเองใจมันจะคิดไปในทางกิเลสตัณหาอยู่เรื่อย เพราะมันเคยถูกฝึกให้คิดไปในทางกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาเราเลยต้องมาหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางกิเลสตัณหาก่อนด้วยการทำสมาธิทำสมาธิก็หยุดความคิดนี่วิธีหยุดความคิดก็ต้องใช้สติสติที่เราไม่ไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วย การเราเลิกถึงพุทธโธพุทธโธเนี่ยท่องพุทธโธพุทธโธไปเราก็จะไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่นั่นที่นี่ถ้าเราอยู่กับพุทธโธไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะลืมทุกเรื่องไปใจมันก็จะสงบเย็นสบายเกิดความสุขขึ้นมาจากการเจริญสติคือคือพุทธโธพุทธโธนี้ พอใจสงบแล้วกิเลสตัณหามันก็หยุดทำงานชั่วคราวความอยากต่างๆหายไปหมดความโลภความโกรธความหลงหายไปหมดใจก็เบาเย็นสบายมีความสุขก็จะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ ยิ่งให้เรามาฝึกสมาธิกันเพื่อให้เข้าถึงความสงบนี้เข้าถึงความสุขอันนี้เมื่อเรามีความสุขอนี้แล้วเราก็จะได้ปล่อยวางความสุขอันเก่าได้ตอนนี้เราหาความสุขจากอะไรกันเราก็หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้กันแต่พอเรามาได้ความสุขที่เราได้จากสมาธิแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้ เพราะเป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่ไม่มีวันจากเราไปนแต่ความสุขต่างๆที่เราได้กันขณะนี้มีกันอยู่ขณะนี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันนพอเวลาจากกันก็กลายเป็นความทุกข์กันร้องห่มร้องไห้กันน อันนี้คือปัญญาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราก็สอนใจให้เห็นเปรียบเทียบระหว่างความสุขเก่ากับความสุขใหม่อันไหนจะดีกว่ากันเราก็จะเห็นว่าความสุขใหม่นี่ดีกว่าเพราะไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขไม่ต้องก็พึ่งกระเป๋ารองเท้าไม่ต้องพึ่งเงินทองมาให้ความสุขอันนี้ความสุขของเรานี้ไม่ต้องไปพึ่งอะไรเราสามารถมีได้ตลอดเวลา เพียงแต่ขอให้เรามีสติหยุดความคิดของเราให้ได้เท่านั้นเองพอเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการความสงบเราก็อยากจะไปหาที่สงบเพื่อไปฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้สงบพอเราสามารถทำใจให้สงบต่อไปเราก็จะมีความสุขไปตลอดแม้ว่าเราจะสูญเสียอะไรไปมันจะไม่ทำให้เราเสียใจไม่ทำให้เราทุกข์ เสียครอบครัวเสียเพื่อนเสียบิดามารดาเสียญาติพี่น้องเสียแฟนเสียภรรยาสามีเสียลูกเสียอะไรไปเราจะไม่รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาให้ความสุขกับเรานั่นเองเรามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ที่เราไม่ต้องพึ่งไม่ต้องใช้อะไรเป็นที่พึ่ง นี่แหละคือการปฏิบัติบูบชาที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราปฏิบัติกันให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงนำเอาการบูชาทั้งสองรูปแบบนี้ไปพินิจพิจารณา เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิยิชิตังปฏิตังต um ุมังคิปเมวาสมิจจโตสะเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติอราโสยถาสภิฏโยวิวาจันโต สัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายอสุขิทีขายุโกภวาภิวาธนศิดิสะนิจังุทธาปจายโนจตารโหธรรมวัทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้จาก f a c e b o o ส354 y o u ห้า e 278็วิทยุออนไลน์24ผู้รับฟังบนเขา61รวมทั้งสิ้นเจ็ดอสิเจ็ดท่านค่ะใครมีคำถามอยากจะถามได้ถามตอนนี้ได้ถ้าอยากจะถามเองเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ใครอยากจะถามยกมือนะจะได้ให้มาเอาไม้ไปต้องพูดผ่านไม้จะได้ยินเสียงคำถามมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนก็แล้วกันคำถามจากเป้าหวังปล่อยวางฝันถึงพระพุทธเจ้าเหตุการณ์ที่จำได้คือ ก่อนตายท่านได้ประคองในท่านั่งแต่ข้าพเจ้าร้องไห้ไม่หยุดท่านบอกให้ปล่อยวางแต่ปล่อยวางไม่ได้คือไม่หยุดร้องท่านบอกว่าหากทำปล่อยวางไม่ได้จะต้องไปเกิดในตระกูลที่ยากจนและเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายในฝันเหมือนความจริงทุกประการตื่นรู้สึกตัวย่างร้องไห้เสือึกนเสือื้นด้วยค่ะคำถามคือความฝันนี้ต้องการบอกลางสิ่งใดเจ้าคะทาไมเวลานึกถึงพระองค์ วงเล็บไม่ได้ทําสมาธิน้ําตามันไหลออกมาจนไม่อยากจะระลึกถึงท่านเจ้าค่ะก็บอกว่าจิตใจเรายังอ่อนแอนั่นเองเราไม่มีสติไม่มีกําลังคอยควบคุมอารมณ์เราต้องพยายามไปฝึกสติให้มากมากขึ้นเดินขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดไปมีอารมณ์กับสิ่งต่างๆ ถ้ามีพุโทโธพุธโทโธต่อไปใจมันจะแข็งใจมันจะเฉยค่ะจักประหวังต่อนะคะคำภาวนาเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือนิพพานังประมังสุขขงังเกิดขึ้นมาเองโดยเกิดแทนพุโทโธควรปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะก็ใช้อันนั้นต่อไปอันไหนก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบ เป็นสมาธิได้ก็ใช้อ น, นั้นไปจากคุณบัวบูพาฝัน ปกติจะพยายามภาวนาโดยนึกถึงพุโทโธและมรณานุสติอยู่เสมอว่าทุกคนจะต้องตายแต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริงๆกับตัวเองกลับทําใจยอมรับไม่ได้พยายามตั้งสติแล้วแต่ก็ยังทําใจยอมรับไม่ได้สักทีจะทําอย่างไรดีคะเพราะยังไม่เป็นสติจริงนั่นเองสติลอย คิดไปแต่ใจก็ไม่ได้เป็นเอาจริงเอาจังกับที่เราคิดใจเราต้องจริงกับจังกับสิ่งที่เราคิดว่าตายต้องตายเ น, นี่ยนะต้องยอมตายถ้ามันไม่ถ้ามันคิดแบบตายตายเหมือนแบบนกแก้วนกแก้วมันก็ท่องแก้วจ๋าแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเอาแก้วให้มันมันก็เขียทิ้งเขี่ยทิ้งมันจะเอากล้วยจ๋ากล้วยจ๋า เราก็เหมือนกันพอคิดถึงความตายแล้วก็พุทธแล้วก็คิดอยู่เรื่อยๆพอเจอความตายก็เขียยทิง้งเขียทิง้งไม่ยอมตายให้การระลึกถึงความตายนี้เพื่อให้เรายอมตายเข้าใจหรือเปล่าความหมายอยู่ตรงนั้นถ้าระลึกแล้วไม่ยอมตายก็อย่าไประลึกให้มันเสียเวลาคาถามจักคุณวาสนา ลูกขอถามว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะได้รับผลกรรมเช่นไรคะก็จะติดเป็นนิสัยไปนั่นเองเวลามีปัญหาแก้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายชีวิตที่ควรจะก้าวไปไกลกว่า น, นั้นก็ต้องหยุดชะ ง, งักลงแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่กลับมาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นอีกพอมาเจอปัญหาเดิมปัญหาที่แก้ไม่ได้อีกก็จะฆ่าตัวตาย มันต้องอยากค่าตัวตายพยายามอดทนต่อสู้กับชีวิตต่อไปและฟันฝ่าอุปสรรคเหนียวมันก็ผ่านไปมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับการเดินสะดุดล้ม้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไม่ใช่พอล้มก็เลยข้าตัวตายเราต้องเป็นนักสู้ คำถามจากคุณชมพูกราบเรียนถามพระอาจารย์อะไรที่เป็นหลักฐานที่ยืนยันให้ทราบว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงในมนุษย์ทุกๆคนคะหลักฐานเนี่ก็คนตายคนเกิดนี่ไงเห็นอยู่ตลอดวันมีเกิดอยู่ตลอดเวลามีตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดพอคนนี้ตายก็มีคนนั่นมาเกิดใหม่ มันก็เวียนว่ายตายเกิดคำถามจะคุณคินี้ถ้าตายแล้ว<ะ>ถ้าตศ <ขอ S 1> ูนมันก็ต้องไม่มีเกิดใช่ไหมพอตายแล้วสูนย์ก็ไม่มีใครมาเกิดใหม่มันก็สูนย์นีเลยมันก็จบเลยแล้วมันมีกลับมาเกิดใหม่เลยเวียนเทียนเนี่ยเมันกับเวียนเทียนเนี่ ย, ย, ย, นนยสังฆทานกระแปงสังฆทานใบเดียวเนี่ยเวียนได้ไม่รู้กี่รอบญาโยมคนนี้มาก็เอากระแปงใบนี้ญาโยมมาถวายพระพระก็รับไว้เสร็จแล้วก็เอาไปให้แม่คา เดี๋ญาติโยมคนใหม่มาก็เอากระแป้งใบเก่าเนี่ยแหละมันก็เวียนเทียนอยู่อย่างนัน้ถ้าไม่มีเวียนเทียนมันก็จบพอเจ้าใหม่มาซื้อกระแป้งไม่มีกระแป้งให้ขายใช่ไ้มคําถามจากคุณคิมมิทำไมเวลาสวดมนต์จิตไม่ค่อยนิ่งบังคับให้สงบสวดต่อก็ไม่นิ่งเพราะเวรกรรมหรือเปล่าเจ้าคะเพราะไม่เอาจริงจังกับการสวด น, นั่นเองสวดแบบใจลอย สวดไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปคนนั้นคนนี้ไปถ้าอยากจะสวดให้นิ่งเราไปสวดในป่าชาดูเลยจะไม่กล้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยมันจะอยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยเวลาเดี๋ยวคิดว่าผีมานี่โอ้ท่องพุทโธแล้วสวดอิติปิโสกันแบบเอาจริงเอาจังกันเลยคำถามจากคุณพรสุ ร, รักษ์ องประกอบของพระโสดาบันและแนวทางในการไปสู่เส้นทางของโสดาบันทําอย่างไรก็ทานศีลภาวนาเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงเองรู้เองรู้ตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะยังไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ทานศีลภาวนาเนี่ยมันจะบอกเราเองว่าต้องทําอย่างไรคําถามจากุณสินีนาะศ น้อมกราบถามว่าเมื่อทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งของคณะครูกับนักเรียนทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วของตักบาตรทั้งหมดยังไม่ได้นําไปวัดเลยปรากฏว่ามีครูอีกคนหนึ่งได้ขนของตักบาตรทั้งหมดไปเก็บไว้ในห้องของตัวเองโดยครูผู้ดําเนินการไม่ทราบเลย เมื่อไปสอบถามครูผู้นั้นได้บอกว่าได้นำเงินจำนวนหนึ่งใส่ซองไปบูชาพระสงฆ์ขอของตักบาตรทั้งหมดคืนให้กับนักเรียนโดยไม่ได้ให้ของตักบาตรกับวัดโดยยังไม่ได้ออกนอกโรงเรียนให้เงินพระหลังจากที่พระจะขึ้นรถโดยไม่ได้บอกกล่าวกับกลุ่มคนใส่บาตร ครูท่านนั้นคิดเองทําเองขอถามว่าการเอาของตักบาททั้งหมดนี้โดยให้เงินกับพระสงฆ์รับทราบเพียงรูปเดียวจากทั้งหมดเก้ารูปคนทำในลักษณะแบบนี้ผิดและบาปไหมคะและคนดาเนินงานจะบาปไหมคะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะฉกฉวยเอาของจากพระโดยบอกว่าจะเอาไปให้นักเรียนซึ่งเขาก็ได้เอาไปให้กับนักเรียนส่วนหนึ่งคะ่ะมันก็อยู่ที่เจตนาอยู่ที่ก า, ารกระทาทาเพื่อเน เอาประโยชน์ใส่ตนหรือไม่แล้วทำด้วยการยินยอมของทุกฝ่ายหรือไม่ถ้าไม่มีการยินยอมทำโดยพระละกาลหรือทำเพื่อเอาประโยชน์ใส่ตนนี่มันก็ผิดอย่งนั้นก็ต้องทำได้คือสมมติว่าทางวัดไม่ต้องการอาหารเพราะทางวัดก็อยากจะบริจาคให้แล้วโรงเรียนแล้วที่ไหนเขาขาดแคลน แล้วถ้าทางทางโรงเรียนหรือผู้รับของเหล่านั้นอยากจะทำบุญด้วยการถวายเงินให้กับวัดก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่อย่าทำในลักษณะซื้อขายกันแล้วกันแบบตกลงราคากันไว้ว่าของแค่นี้โยมต้องจ่ายแค่นี้นะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ควรแต่ถ้าเป็นความเจตนาของพระหรือของวัดที่มารับว่าของเหล่านี้ทางวัดก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะก็เหลือกินเหลือใช้ ก็อาจจะยกให้โรงเรียนไปหรือให้ผู้ใดที่ต้องการเอาไปทำประโยชน์ต่อไปอันนี้ก็เป็นอำนาจของหัวหน้าของพระที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าวาดไป ้าว่าก็เป็นผู้ตัดสินแทนพระได้ส่วนทางโรงเรียนทางผู้รับก็ต้องมีผู้ที่มีอำนาจที่จะทำหน้าที่นี้ไม่ใช่คนคนใดคนหนึ่งจะมาทำโดยพระละการมันก็ไม่เหมาะสมมันไม่ถูกกาลเทศะถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดีก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิดจะเอายักยอกใส่เอาไปใช้สำหรับตนเองแต่มันก็ต้องผ่านขั้นตอนของ ของการบริหารถ้าเป็นของโรงเรียนก็ต้องผ่านพออโรงเรียนได้รับการยินยอมรับทราบจากพอ อ, อ ก, ก่อนแล้วทางพระก็ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าอาวาสก่อนเมื่อมีการยินยอมของทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เสียหายตรงไหนคําถามจากคุณภาสิทธิ์กราบนมัสการครับ เวลานอนหลับแล้วเราฝันถึงมโนภาพที่เราไม่เคยเจอในชาติปัจจุบันมโนภาพนี้มาจากไหนครับก็ชาติก่อนไงเราไม่ได้มีแค่ชาตินี้ชาติเดียวเลยเ ร, เราเคยไปอยู่โลกนั้นโลกนี้เมืองนั้นเมืองนี้เจอคนแบบนั้นเจอคนแบบนี้ที่นอาจจะไม่มีในโลกนี้ก็ได้แต่มันฝังอยู่ในใจเรา พะเวลาเรานอนหลับสิ่งต่างๆที่มันเคยจดเคยจำเคยฝังอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ yeah. คําำถามจากคุณ KR หนึ่งศย์ย์หนึ่งหนึ่งกราบเรียนถามค่ะภาวะที่อยู่ในจิตว่างนิ่งๆอยู่ น, น, นานๆก่อเกิดประโยชน์ในการฝึกวิปัสสนาไหมคะก็จะเป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติวิปัสสนา พอจิตสงบนี้จิตจะไม่คิดไปทางกิเลสนั่นเองแล้วพอจะให้คิดไปในทางวิปัสสนามันก็จะไม่มีอุปสรรคเพราะกิเลสมันจะไม่มีกำลังต่อต้านถ้าจิตไม่สงบนี้กิเลสมีกำลังมากพอจะดึงไปคิดทางวิปัสสนากิเลสมันจะไม่ยอมไม่คิดนั่นเองให้คิดถึงความตายมันก็ไม่ยอมคิดมันจะคิดแต่ถึงความสวยความงามแทนอะไรเป็นต้นอย่างนี้ แต่ถ้าทำใจให้สงบแล้วเราสามารถสั่งให้มันคิดไปในเรื่องที่เราต้องการให้มันคิดได้คําำถามจากคุณคิดทำอย่างไรถึงจะออกบวชได้โดยไม่อะไรอาวรทางโลกครับก็คิดถึงความตายบ่อยๆเขาได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพราะในที่สุดทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นมันก็จะทาให้เราเ ปัดได้คําถามจากคุณทีเคกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาเราฟังธรรมหรือได้เห็นพระที่เราศรัทธาแล้วซาบซึ้งน้ําตาไหลแบบนี้เรายังขาดสติอยู่ใช่ไหมคะก็ก็ไม่มีสติที่จะควบคุมอารมณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีก็ตามก็แสดงว่าใจเรายังอ่อนอยู่ คำถามจากคุณประพาวันกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าการสวดมนต์ด้วยพระคาถายอดพระกันไตรปิฎกพาหุงมหากาชินปัญชนและบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลขออโหสิกรรมและในวันพระเ พ, เพียนสวดบทเมตตาใหญ่เหล่านี้นับว่าสร้างบุญไหมคะก็เป็นการฝึกสติการสวดมนต์นี้จะทาให้เรา หยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ให้เราอยู่กับบทสวดมนต์ไปหยุดความคิดมันก็จะได้สติได้สมาธิตามมาหมดแล้วเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวใครอยากจะถามก็ส่งข้อความเข้ามาขอถามค่ ะ, ะเข้ามานี่หน่อยเลยเอาไมโครโฟนไปข้างหลังก็ได้ยินข้างหลัง พูดใกล้ๆปากหน่อยค่ะท่านอาจารย์คืออยากอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าทําไมชอบฝันฝันเห็นอนาคตของตัวเองชอบคิดอยู่เรื่อยๆคนยิ่งคิดมากก็ยิ่งฝันมากมันก็ไม่ได้ว่าเชิงจะคิดมากหรือว่าปักใจอะไรนะ ย, ย่างว่าเคยฝันเห็นผู้ชายที่ว่าเราไปตัดหัวเขาทิ้ง อ, ะอ่ะเรามองหัวเต ประมาณสองอาทิตย์ไปข้างหน้าพอเราฝันแล้วก็สองอาทิตย์แล้วก็มีคนมาชวนเราไปล้างป่าช้าก็ไปเจอหลุมที่คนที่เราไปตัดหัวเขา อ, ะอ่ะก็เป็นผู้ชายเหมือนในความฝันแล้วก็ฝันอีกอย่างก็คือชอบฝันเห็นเมืองเมืองเหมือนเหมือน เ, เ, เมืองผีเขาจะชอบบอกเราว่าทำดีนะเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลมันจะไปเกิดเป็นผลลมาอยู่บนหัวเรานี่แหละถึงเวลามันสุก เวลาที่บุญเราจะได้รับมันจะตกสิ่งของอะเองเขาบอกแบบนี้จะจะฝันเรื่อยๆอก็ฝันไปใครรู้ว่าเราชอบฝันกันแล้วกันแต่ส่วนมากมันจะฝันช่วงช่วงที่ว่าเป็นวันพระเราบังคับมันไม่ได้ความฝันนี้เราบังคับมันไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเราต้องฝันแต่แบบนี้เรื่อยๆใช่เราเป็นคนคิดมากมันก็เลยฝันมากคิดน้อยก็ฝันน้อยยัง เหมือนเหมือนกับที่โรงงานหน้าท่าจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะเราก็เป็นวันพักเหมือนกันนะแต่เราก็ไปฝันว่าเห็นแต่หัวหน้างานหมวกขาวเต้มหน้าท่าเลยไอ้เราก็คิดว่าโอ้กูไม่ได้หลับนะไอ้เราก็คิดไปแบบนี้นะพอตื่นขึ้นมาประมาณไม่ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะก็เกิดอุบัติเหตุหน้าท่าแบบเนี้ยมันจะชอบให้เราเห็นเห็นอนาคตอยู่เรื่อยๆแสดงว่าเรามีตาทิพย์ไงก็มีบอกว่าจากที่ว่า บ้านเราไปไปไปอีกโลกนึงอะ่ะมันมันจะแค่ก้าวเดียวแต่พอเราจะกลับขึ้นมาเนี่ยช่วงหลังเขาบอกว่าหลังหลังพระตีคลองอะ่ะตอนเช้าอ่ะถ้าถึงเวลานั้นแล้วจะกลับมาไม่ได้ เ, เขาบอกว่าเราอะ่ะจิตได้สานึกดีแต่ตอนนั้นเป็นห่วงลูกมากก็เลยกลับมากลับมาเห็น แต่ก็ไม่ได้กลับมาเลยนะเห็นว่าพุทธเจ้าเป็นองค์แบบนี้แล้วก็เลยยกมือใส่หัวว่าอย่ากลับไปหาลูกกล<แ>ัวลูกหิวนม<แ>ก็เลยกลับมาเขาว่าไปดีนะเขาบอกนี่เขาก็อวยพรให้เรานะ แ, แล้วก็กลับมาข้างนึงไม่ได้คนที่เขาจะมาพร้อมเราอะ่ะมันพอลงมามันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนแม่น้ําแห้งเป็นแต่เนินทราย กว้างเลยพอแล้วอยากจะถามอะไรถามก็ก็ไม่ทราบว่าเราทําไมเราต้องฝันฝันแต่แบบนี้ก็เป็นนิสัยของเราก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจว่าทำไมถ้าอยากจะหยุดฝันก็มาฝึกสมาธิบ่อยๆแล้วมันก็จะหยุดฝันได้มันทําไม่ได้สวัสดีทำไม่ได้มันเคยฝันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้จ้ะมันทําไม่ได้เลยมันยังไม่นิ่งไม่นิ่งเนีเห็นมันตอนนี้พูดไม่ยอมหยุดเลยแม่เนี่ยก็อยากจะถามเอาแล้วนะอาแค่นี้ก่อนนะให้คนอื่นถา ถามต่ออ่าต่อไปค่ะคำถามจากคุณปุย๋ยกลับเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์แม่ของลูกเอาของของลูกหรือบางทีก็ของหลานไปใส่บาตรโดยที่ท่านไม่ได้ขอหรือบอกอย่างนี้ท่านจะบาปไหมเจ้าคะแล้วท่านจะได้บุญไหมเจ้าคะถ้าท่านถือว่าเป็นของท่านก็ไม่บาปเพราะลูกก็ท่านก็เป็นคนให้ลูก ลูกก็เป็นของท่านหลานก็เป็นของท่านมันมาจากท่านถ้าท่านคิดแบบนี้มันก็ไม่บาปแต่ถ้าคิดว่าของใครของมันมันก็บาปเห็นนก็บางทีก็ต้องเคารพความคิดของคนอื่นถึงแม้เราจะคิดว่าเขาเป็นลูกเราเขาเป็นของเราก็ตามแต่เขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราคิดก็ได้เขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นของเขาเหตนั้นเราก็ทางที่ดีก็ควรจะขออนุ ญ, ญาตเขาก่อน ถ้าก็ไม่ให้ก็อย่าไปเอาค่าจะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนำ้ำมการค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ดิฉันได้แจ้งยืนยันกับพ น, พนักงานธนาคารเพื่อจองหุ้นกู้ของบริษัทไว้จำนวนหนึ่งแต่เพิ่งตรวจสอบพบว่าบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้นทำกิจการหลายอย่างรวมถึงเครื่องดื่มจำพวกเหล้าด้วยค่ะ ดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าควรจะทําอย่างไรดีระหว่างการบอกเลิกการจองดังกล่าวหรือควรดําเนินการตามปกติที่เคยแจ้งกับนาตาคารไว้คะก็เราเป็นสิทธิของเราเนี่ยถ้ามีการตกลงกันไว้อย่างไรเราก็ต้องทําตามที่ตกลงไว้ ถ้าเขาบอกว่าคืนไม่ได้ก็ต้องก็ซื้อไปแล้วค่อยขายทีหลังถ้าเราไม่อยากจะเก็บไว้ก็ต้องยอมเสียค่าค่าซื้อขายไปค่าคอมมิชชั่นไปจะคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ถ้าผิดศีลห้าก็รู้ว่าบาปแล้วถ้าได้ทําอะไรสักอย่างนอกจากศีลห้าจะมีวิธีมองอย่างไรว่าไม่บาปครับก็นั่งเฉยๆเนี่ยไม่บาปแล้วเนี่ย นั่งฟังเทศฟังธรรมนี่ไม่บาปเลยจะคุณปล่อยวางอดีตกลาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ ว่าควรวางใจปฏิบัติตัวอย่างไรในการอยู่แบบไม่มีงานธทำแบบที่พระอาจารย์บอกบ า, บางครั้งจิตก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยากจะออกไปดิ้นรนอยู่ตลอดทั้งที่เราก็พยายามมีสติฝืนความคิดว่าเราอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วได้มีเวลาปฏิบัติธรรมถ้าอยู่แบบนี้ไม่ได้สักวันจะไปบวชที่วัดได้อย่างไร ้็สติเรามีกําลังน้อยเนี่ยเราต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆพยายามนั่งสมาธิบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆ อ, อย่านั่งเฉยๆเหมือลอยอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยต้องควบคุมมันให้ทําสมาธิหรือเดินจงกรมหรืออ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมไปแล้วมันก็จะมีสติเพิ่มขึ้นมาตามกำตามตามลำดับต่อไป จะคุณสับปะรดสีเป็นจิตอาสาช่วยงานวัดในฐานะบริหารจัดการแต่เจอกระเทยแสดงกิริยาวาจาหยาบคายทะเลาะกับแม่ครัวเรานิ่งไม่ได้เรานิ่งไม่ได้ตอบโต้ไม่ว่าพวกเขาแต่แล้วกระเทยก็ว่าเราลำเอียงไม่ช่วยพวกกระเทยอย่างนี้โยมโยมควรวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ดีนะเนี่ยนิ่งเฉยดีที่สุด ส่วนใครเขาจะว่าไงก็นิ่งเฉยต่อไปไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาตอบโต้ตใครทั้งนั้นจะคุณสาวนุย้ยการนั่งกําหนดใจให้นิ่งกําหนดดูความคิดของตัวเองเป็นการทําสมาธิไหมคะพอรู้ว่าคิดมันก็หยุดคิดคะ่ะอ๋อต้องหยุดคิดอย่างเดียวถึงจะเป็นสมาธิได้ถ้าดูแล้วพอมันหยุดคิดปับ๊บแล้วมันก็คิดต่ออย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ ต้องหยุดคิดแบบไม่คิดใหม่เลยต้องให้มันนิ่งสงบถึงจะเป็นสมาธิจะคุณแองเจลซื้อของกินมาซื้อของกินมาเช่นข้าวต้มมัดยี่สิบชิ้น <c oughs> กินไปแล้วสามชิ้นที่เหลือเก็บไว้หรือต้มจืดหนึ่งหม้อตักกินไปถ้วยหนึ่งแล้วเอาม้อเก็บพอเย็นนึกอยากทำบุญพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมหาของ แล้วก็อยากใส่ข้าวต้มมัดนั้นด้วยแต่เรากินไปแล้วที่เหลืออยู่17ชิ้นกับต้มจืดในหม้อยังถวายพระได้ไหมคะและจะเป็นการกินก่อนพระไปแล้วของเหลือจากเราเพราะไม่ได้แบ่งแยกใส่บาตรตั้งแต่ต้นหรือเปล่าใส่ไปจะเป็นบาปหรือไม่แต่มันก็สะอาดนะคะแยกชิ้นกันอยู่แล้วไม่บาปหรอกถ้าเป็นอาหารที่กินแล้วไม่ท้องไม่เสียกินแล้วทาหน้าที่ของอาหารได้ พระไม่รู้หรอกว่าเรากินไปกี่ชิ้นไม่กี่ชิ้น ถ, ถ้าเราไม่บอกท่านเพงแต่ว่าธรรมเนียมเราเวลาเราจะทําบุญเราอยากจะทําของดีๆเพราะเราอยากจะได้บุญมากมากให้ของไม่ดีกับให้ของดีนี่บุญต่างกันเพราะฉะนั้นการให้ของดีนี่มันจะทําให้เราได้บุญมากกว่าการให้ของไม่ดี แต่ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ได้มากน้อยต่างกันหมดแล้วเลย ม, ม, เมีใครอยากจะถามหไหมเนี่ยที่มา น, นี่มาจากที่ไหนกันเนี่ยมาจัดกี่คนสิบเก้าคนที่โรงงานอะไรนะบริษัท TIPS ะอยู่ในท่าเรือแหลมสบังค่ะที่เคยมาก่อนเนี่ย<ะ>เคยจัดกิจกรรมมา ทุกสามเดือน <Okay. S 1> อดีให้มีกิจกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆน ะ, ะเพราะมันจะทําให้มีการเจริญก้าวหน้าต่อไปต้องจุดเริ่มต้นที่การศึกษาการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันเพราะเราอยากจะได้ผลเราก็ต้องปฏิบัติกัน อ, อันนี้เป็นกระบวนการของการเจริญทางพุทธศาสนาพระเจ้าบอกขั้นแรกต้องศึกษา ขั้นที่สองนำสึกนําสิ่งที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลที่เราต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาผลทางจิตใจนะอย่าไปหวังผลทางการค้านะไม่ใช่มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเดี๋ยวจะขายดิบขายดีอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะมันไม่ตรงมันเดี๋ยวทําแล้วไม่ได้ผลจะเสียใจเลยพานหาว่ามาวัดแล้วแจ้งยังงี้ไม่ได้นะ มันนี่เราความเจริญนี่ผลนี่อยู่ที่จิตใจนะไม่ได้อยู่ที่เงินทองบางคนเข้าใจผิดว่าเข้าวัดแล้วแหมทําไมการค้าเรากลับซบเซากลับขายไม่ดีอันนี้มันไม่เกี่ยวกันการเจริญหรือ ก, การเสื่อมนี่ของทางาศาสนานี่เราดูที่จิตใจเป็นหลักมีอีกไหมมีค่ ะ, ะจากคุณรุ่ง ทางโลกเชื่อว่าการเล่นหรือฟังดนตรีจะช่วยให้จิตใจดีงามแต่ในทางธรรมทำไมในศีลแปดต้องถือเป็นข้อห้ามครับมันดีน้อยไงมันไม่ดีมากเท่ากับศีลแปดดีคนละระดับกันดีระดับโลกิยะกับดีระดับโลกุตละนี่มันคนเหมือนฟ้ากับดินค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากหนูปิด หากหนูปิดไฟเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิได้ขอโทษค่ะหากหนูเปิดไฟเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิได้ไหมคะเพื่อลดความฟุ้งซ่านเพื่อหนูเป็นคนกลัวความมืด <laughs> ถ้ายังกลัวอยู่ก็ทําได้แต่คุณต่อไปควรจะสามารถหลับตาแล้วก็สวดไปในใจได้จะดีกว่าเพราะเราต้องการทําใจให้สงบเราต้องการให้ใจเข้าข้างใน ถ้าเราเปิดไฟเปิดตานี้เราส่งใจออกข้างนอกมันจะไม่ได้ผลเท่าที่เราปิดตาปิดไฟคําำถามจากคุณแองเจลมีวิธีที่พอจะทำให้ทราบหรือไม่ว่าเราบวชชีแล้วจะอยู่ไปตลอดลอดฝั่งรู้สึกกังวลบางทีก็มั่นใจบางทีก็กลัวคะ่ะอ๋อถ้าเป็นพระโสดาบันนี่หรือเป็นพระอนาคามีนี่ก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เสกค่ะ แต่ถ้ายังไม่เป็นพาระยะนี้มันยังไม่แน่นอนจิตยังพลิกไปพลิกมาได้อยู่แต่ก็อยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็อยู่ที่ความพยายามถ้าเราสามารถรักษาความตั้งใจและรักษาความภาคเพียรได้เราก็จะไม่สึกหรือถ้าจะใช้วิธีแก้เราเคยใช้วิธีนี้มาสมมติว่าถ้าเราบวชไปแล้วเดือนหนึ่งเราอยากจะสึกเราก็บอกว่า าเราเคยอยู่ได้เดือนหนึ่งเราต่ออยสักเดือนก่อนก็แล้วกันพอถึงสองเดือนมันอยากจะเสกก็เอามัก็เคยอยู่ได้นั่งสองเดือนต่อยอีกสองเดือนก่อนก็เมื่อสองเดือนยังอยู่ได้ทําไมสองเดือนจะอยู่ไม่ได้วะก็ทําอย่างนี้ไปแล้วเราลองได้ว่าไม่มีวันเสกแล้วคำถามจากคุณวิโร์ นั่งสมาธิได้บุญมากกว่าสวดมนต์หรือไม่ครับก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญสมาธินี้มากมากกว่าบุญที่เกิดจากการสวดสวดนี้สงบน้อยกว่าสมาธินั่นเองต้องอาศัยการสวดก่อนถึงจะนาเข้าสู่ความสงบของสมาธิได้ต่อไปคําถามจากคุณฟูในศีลแปดมีข้อห้ามในการดูกีฬาหรือไม่ครับก็เหมือนกันดูกีฬาดูภาพยนตร์ดูอะไร แม้แต่ข่าวสารก็ไม่ควรดูเพราะว่าต้องการที่จะให้หยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ดึงจิตใจเข้าข้างในได้ควรปิดมือถือเนี่ยเวลาถือเสียแปดเนี่ยควรเลิกใช้มือถือชั่วข่าว คำถามจากคุณอารยาคนชอบเอาเรื่องคนอื่นในทางไม่ดีมาพูดฟังแล้วเครียดทํำยังไงดีคะก็เราเครียดเองเนี่ยจะทำไงล่ะก็ถ้าเครียดก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดปรุงแต่งของเราหรือถ้าฟังแล้วเครียดก็เดินหนีไปขอลาเข้าห้องน้ําหน่อยก็แล้วกันเขาเข้าทุระเข้าห้องน้ําจะได้หายเครียดเนี่ย แต่ถ้าเราละลาไม่ได้ก็หยุดใจอย่าไปฟังด้วยการท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจก็ได้มีคำถามข้างหลังเลยฮ ะ, ะให้ไม้เข้าไป ข, ขออนุญาตกราบถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับพอดีเป็นนิสิต ศา ส, สนาปัตยาจากมบุรพาครับพอดีได้เรียนปัตยาแล้วก็สงสัยอยู่อย่างคือเกี่ยวกับความรู้ทางพุทธศาสนาครับออระหว่างความรู้ที่ได้จากเหตุผลหรือทางความคิดกับความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นะครับในทางพุทธศาสนาแล้วความรู้ไหนที่เป็นความรู้ที่เป็นความรู้จริงและสามารถเชื่อว่านั่นคือความรู้แท้ได้ครับก็ต้องประสบการณ์เนี่ย เพราะว่าทฤษฎีมันยังเป็นเพียงแต่การนึกคิดยังไม่ได้เจอของจริงต้องไปเจอของจริงถึงจะถึงจะรู้อย่างแน่ใจว่าเป็นของแท้เช่นการที่จะมาที่นี่กับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับที่นี่มันไม่เหมือนกันเวลาอ่านหนังสือเรายังไม่มั่นใจว่าที่หนังสือเขาเขียนนี้มันเป็นอย่างไรเพราะเราต้องใช้มโนภาพคิดไป แต่พอเรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้มโนภาพถ้าเราอ่านแล้วเราอาจจะมโนภาพที่เราตั้งไว้กับภาพที่เราเห็นของจริงอาจจะไม่ตรงกันเหตนั้นก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการสัมผัสแล้วแล้วถ้าเราไม่มีความรู้ในเบื้องต้นมาก่อนเลยเหมือนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่า ในการอ่านหนังสือหรือการลงมือทํามันอาจจะต่างกันแต่ถ้าเราอยู่ดีๆเราไม่รู้อะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเรามาลงมือทําเลยอะครับสิ่งที่ทํามันจะดีจริงไหมก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีทําต้องทํำยังไงเหมือนการอ่านเกี่ยวกับอาหารกับการรับประทานอาหารเนรับเราอ่านะเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ว่าอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้แต่ถ้าเรายังไม่ได้กินเราก็จะไม่รู้ถ้าเราอยากจะกินเราก็ต้อง เรียนรู right? says, eat, ้ว่าว mm ิธีจะกินอาหารนี้ไปที่ไหนเช่นไปร้านน้นร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามที่เขาบอกเขาบอกว่าอาหารที่เราต้องการจะชิมนีอยู่ร้านนี้เราก็เดินทางไปที่ร้านนี้พอร้านนี้เราก็สั่งอาหารที่เราต้องการชิมมาชิมดูอันนี้ก็เหมือนการเรียนการฟังนี้ก็เป็นการให้รู้ว่าการที่เราจะชิมอาหารธรรมะนี้ชิมที่ที่ไหนอย่างไร พอเรารู้เราก็ทำตามแสดงว่าเราก็ต้องรู้เบื้องต้นก่อนที่จะลงมือทำหรือลงมือปฏิบัติใช่ไหมครับแน่นอน<ม>ถ้าไม่รู้วิวธีทำมาถูกได้ไงถ้าไม่รู้ว่าร้านขายอาหารที่เราต้องการจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปถูกที่ได้ไง<ม>ต้องฟังธรรมก่อนศึกษาธรรมะก่อน ทางธรรมก็มีแบ่งไว้สามขั้นขั้นแรกให้ศึกษาขั้นที่สองให้เอาสิ่งที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติศึกษาเหมือนดูแผนที่ให้ดูว่าร้านที่เราต้องการไปอยู่ตรงไหนพอรู้ว่าร้านอยู่ตรงทิศนั้นทิศนี้เราก็ออกเดินทางไปเรียกว่าปฏิบัติพอเดินทางไปเดี๋ยวก็ถึงสถานที่ที่เราต้องไปต้องการจะไป แล้วถ้าพูดถึงแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกับพุทธศาสนาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วแต่ละคนคนแต่ละคนมันยิ่งมันมีเขาเรียกว่ามีมีเหมือนกับว่าบางคนแต่ละคนก็คือมีไม่เท่ากันเนี้ยครับแล้วเราจะสามารถมีกฎเกณฑ์หรืออะไรที่ตายตัวสามารถวัดได้ไหมครับว่าศึกษาปริยัติเท่าไหร่ถึงพร้อมที่จะปฏิบัติศึกษาเท่าไหน่อะไรเงี้ยครับ oh, รู้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติเท่านั้นไงแล้วก็พอพออยากจะรู้มากกว่า น, นี้ก็ศึกษาเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ต้องศึกษาให้มันจบก่อนแเราค่อยปฏิบัติดูทีละขั้นไปจากนี้จะไปชลบุรีก่อนอพอถึงชลบุรีแล้วค่อยเปิดดูแผนที่จะไปกรุงเทพต่อไม่ต้องไปดูตั้งแต่นี้ไปถึงกรุงเทพเลยเอามันไปทีละขั้นทีละขั้นก่นอพอรู้หมดแล้วบางทีมันมเอิมนั้น ศึกษาแล้วบางทีไม่ปฏิบัติแล้วลืมเ ล, เลยปฏิบัติไม่ถูกอย่งั้นศึกษาปุ๊บก็เลยปฏิบัติเลยนี่คือการทางาศาสนาการศึกษากับการปฏิบัตินี้จะไปควบคู่กันแต่สมัยนี้เขามาแยากออกเป็นปริยัตกับปฏิบัติมันก็เลยหลงทางกันเรียนสิบสองปีแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยพอจบแล้วก็เลยไม่อยากจะปฏิบัตินะ ต้องไปแบบภ้าป่าภ้าป่านี้บวชปาาก็ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ให้นั่งสมาธิเลยก็ฝึกนั่งไปเลยกลาบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับโอเคนะครับ ข, ขอบคุณครั okay. อบอาคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณสุวิทย์กลาบนรมัสการ์ครับเราควรจเจริญสติประฐานสี่คือ มันพิจารณาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมตลอดทั้งวันหรือเท่าที่จะทําได้จะดีไหมครับคือตามดูผู้รู้ถือว่าถูกต้องไหมครับไม่ถูกเราพวกนี้มันเป็นจะเรียนเอาหลักสูตรปริญญาตีโทเอกพร้อมกันเลยเนี่ยสติปัฏฐานสีนี้มันเป็นป ร, ริญญาหลายระดับด้วยกันยันเอาทีละขั้นขั้นแรกให้ฝึกสติ ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบให้ได้ก่อนเราค่อยไปเอาขั้นร่างกายขั้นเวทนาขั้นจิตต่อไปไม่ใช่เอามันทั้งหมดเลยเหมากันรวมเปนหมดตั้งแต่ปีแรกเอาหลักสูตรนั ก, นกสูตรปริญญาตีโทเอกมาเรียนกันในปีแรกมันก็มันก็จบตรงนั้นนะ่ะมันก็ไปไม่ถึงไหนกัน สับสนไปหมดสติปฐานสี่มันสี่ระดับมันระดับโสดาบันสกิดาคามีนาคามีอราหันต์พอเริ่มปฏิบัติก็เอาันทั้งหมดเลยทั้งสี่ระดับเลยไม่ได้หรอกต้องเอาเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกก็สติฝึกสติก่อนให้มีสติควบคุมความคิดให้ได้ก่อนเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา